การประชุมออนไลน์ครั้งที่3ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10โดยการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิกคาร์เรนฮิวผู้อำนวยการโครงการและปฏิบัติการภูมิภาคแปซิฟิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศได้นำเสนอกลยุทธ์นิววากาในภูมิภาคแปซิฟิกปี พศส2งพัิถึง 2,565 น The International Plan Parenthood Federation (IPPF) หรือสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกเป็นระยะเวลานานกว่า30ปีโดยเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกเก้าประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอันได้แก่เกาะคุกฟิจิคิริบาตีปาปัวนิวกินี ซามัวหมู่เกาะโซรมอนตองงาตูวารูและวานูอาตูโดยได้มุ่งเน้นการทำงานด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในชุมชนของพวกเขาในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกลยุทธ์นิววากาได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับภูมิภาคแปซิฟิก โดยภูมิภาคแปซิฟิกเองในปีพศ2558ซึ่งเป็นการวางรากฐานในกรอบยุทธศาสตร์ระดับโลกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศปีพศ2559ถึง2565 25เพื่อกระตุ้นให้เกิดสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงสิทธิในภูมิภาคอย่างยั่งยืน นิววากาได้ชื่อมาจากสองแนวคิดซึ่งเป็นคาสองคาที่เป็นศูนย์กลางของเอกลักษณ์ในหมู่เกาะแปซิฟิกคือคําว่านิวและคําว่าวากาโดยต้นนิวหรือต้นปาล์มนั้นซึ่งมักถูกเรียกเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ทรงพลังของความยืดหยุ่นและการฟื้นฟูโดยนิวนั้นลอยอยู่ระหว่างหมู่เกาะแปซิฟิก และเมื่อมันปิวไปตกในเกาะลากก็จะช้อนชายลงไปบนพื้นส่วนวากาหรือแคนูซึ่งสมัยโบราณได้ใช้เรือแคนูในการเดินทางระหว่างเกาะแปซิฟิกและยังเชื่อมโยงหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วนิวและวากาจึงเป็นตัวแทนของความยั่งยืนความมั่งคัง่งความยืดหยุนและการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยกรอบยุทธศาสตร์ระดับโลกของสาพันวางแผนครอบครัวระหว่างปีพศ2559ถึง2565นั้นมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานคือทุกคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกมีอิสระที่จะตัดสินใจเรื่องเพศของตนเองและความเป็นอยู่บนโลกนี้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์รวมและเกิดการบูรณาการให้กับสมาชิกทั่วภูมิภาคแปซิฟิกให้สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้มุ่งเน้นผลลัพธ์สีด้านได้แก่ 1. รัฐบาลในภูมิภาคแปซิฟิกส่งเสริมให้เกิดความเคารพการปกป้อง และการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น 2. ประชากรจำนวน1ล้านคนในประเทศภูมิภาคแปซิฟิกมีอิสระในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของพวกเขาเอง 3. การขยายสถานบริการที่มีคุณภาพจานวน 1.2 ล้านแห่ง โดยเป็นการผสมผสานเรื่องเพศและสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์โดยการบริการนี้ยังได้มุ่งเน้นสำหรับคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการได้ด้วย 4. การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงมีความรับผิด ช, ชอบและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิก โดยมีหลักการอยู่5ประการคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการใช้หลักฐานเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในท้องถิ่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีความหลากหลายในการทำงานและการรับผิดชอบต่อแหล่งทุนเครือข่ายพันธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย ความสำคัญของกลยุทธ์นิวากาคือการให้ทุกคนสามารถมีทางเลือกได้อย่างเสรีและได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์โดยการพัฒนาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและครอบครัวนั้นจะส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยกลยุทธ์นิวากานั้นสามารถทาให้เกิด การสนับสนุนเป้าหมายที่ชัดเจนกับกลุ่มสมาชิกในภูมิภาคแปซิฟิกการปรับปรุงให้เกิดความยั่งยืนและให้มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกการขยายการเข้าถึงเพื่อให้สมาชิกในภูมิภาคแปซิฟิกสามารถเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาสการสร้างสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการการจัดทำรายงานรวมถึงกระบวนการระดมทุนเหตุผลที่ใช้กลยุทธ์นิวากาคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสมาชิก9ประเทศของภูมิภาคแปซิฟิกในแง่ของความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมุ่งเน้นไปที่โอกาส ในการเสริมสร้างศักยภาพการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการทำงานพัฒนาแพทย์พยาบาลอาส า, าสมัครและผู้มีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจในการดำเนินการและการรายงานกิจกรรมพร้อมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี การเพิ่มขึ้นในด้านการมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายพันธมิตรและประสิทธิผลของเงินทุนที่เครือข่ายพันธมิตรสามารถจัดหามาได้โดยมีแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับผู้ให้ทุนหรือผู้บริจาค ก, การเพิ่มความอิสระและความยืดหยุ่นให้แก่สมาชิก9ประเทศของภูมิภาคแปซิฟิกเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของตนเองและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ได้ความท้าทายของกลยุทธ์นิววากาคือ เกิดการใช้เวลานานในการที่จะโน้มน้าวต่อผู้บริจาคสําหรับกลยุทธ์ใหม่นี้เนื่องจากผู้บริจาคต้องการระดมทุนสําหรับกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงจึงทําให้เราต้องมีความยืดหยุ่นผู้บริจาคต้องการรายงานและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจทําให้สมาชิก9ประเทศของภูมิภาคแปซิฟิกลดความสําคัญของกลยุทธ์นิววากาลง ข้อตกลงของการระดมทุนในกระบวนการของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศทำให้ไม่เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการระดมทุนไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอสำหรับการเข้าถึงในพื้นที่ใหม่ๆสมาชิก9ก้าประเทศของภูมิภาคแปซิฟิกที่มีขนาดเล็กนั้นส่งผลกระทบที่สูงกว่ามากเช่นการตัดลดเงินทุน การลดจำนวนพนัก ง, งานและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของผู้บริจาคยังคงต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์นิววากาโดยเพิ่มทัศนวิสัยสำหรับสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศต่อสมาชิก9ประเทศของภูมิภาคแปซิฟิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพิ่มความอิสระให้กับสมาชิก9ประเทศของภูมิภาคแปซิฟิก เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นใหม่เพิ่มการทำงานในด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการโครงการกระบวนการระบบการจัดการข้อมูลและกำลังคนให้แก่สมาชิก9ประเทศของภูมิภาคแปซิฟิกมีข้อมูลที่ดีเพื่อใช้สำหรับการวางแผนตัดสินใจการดำเนินการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมที่สำคัญอย่างรวดเร็วเพิ่มจำนวนคลินิกและคลินิกเคลื่อนที่รวมถึงกำลังคนเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นสนับสนุนสำนัก ง, งานย่อยประจำภูมิภาคแปซิฟิกเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำกลยุทธ์นิววากาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและแผนงานประจำปีแบบบูรณาการ ปับปุงความร่วมมือกับรัฐบาลและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริจาคความสำเร็จจนถึงปีพศ2562ได้แก่การเพิ่มขึ้น 8.14% ของการให้บริการและการส่งต่อการเพิ่มขึ้น 10.2% ของการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงการบริการที่ไม่ใช่ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การเพิ่มขึ้น 8.5% ของผู้เข้ารับบริการการเพิ่มขึ้น 35% ของการบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของคลินิกเพื่อนที่การเพิ่มขึ้น 40% ของเยาวชนที่ได้จบหลักสูตรเพศวิถีศึกษาการเพิ่มขึ้น 75% ของผู้รับบริการที่เป็นผู้พิการวารุณีคัตเตมีรายงาน